สี่โลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ใจซึ่งรู้แจ้งโลกจะไม่ทุกข์เราศึกษาธรรมะก็เพื่อเราจะได้มีที่พึ่งเพราะที่พึ่งฝากเป็นฝากตายได้จริงๆไม่ใช่ลูกไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่อะไรหรอกคือธรรมะที่อยู่กับใจเราเมื่อธรรมะเข้ามาสู่ใจเราแล้วแม้โลกจะแตกไปต่อหน้าต่อตาเราก็อยู่ได้ โลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มีเสียงร้องไห้ระ ง, งมอยู่ตลอดเวลาพระกวนอิมมัวแต่งเงี่ยหูฟังพระกวนอิมนิพพานไม่ได้เพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ใจซึ่งรู้แจ้งโลกจะไม่ทุกข์นี่เป็นเรื่องแปลกนะคนที่หนีทุกข์มักจะเจอความทุกข์คนที่เรียนรู้ทุกข์กลับพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์มากศึกษาแล้วเราจะเห็นทุกข์เป็นลาดับลาดับไป